ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องตั้งอยู่บนถนนสาราญชายโขงริมแม่น้ำโขงเยื้องไปทางทิศเหนือของวัดสีมงคลใต้ติดกับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหารศาลแห่งนี้เดิมเป็นศาลไม้ต่อมาได้มีการบูรณะเรื่อยมาค่ะจนกลายเป็นคอนกรีตดังปัจจุบันศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องมีเรื่องเล่าถานกันมานานว่าราวปีพุทธศักราช1896 เจ้าฟ้างุม้มซึ่งเป็นเจ้าฟ้าแห่งเมืองล้านช้างแล้วก็เป็นบุตรเขยกษัตริย์เมืองอินท ป, ปัะดัได้พาลูกหลานอพยพตามลาน้าโขงผ่านเมืองหนองคายเมืองนครพนมจนถึงเขตเมืองมุกดาหารแล้วก็เกิดเรือล่มที่บริเวณปากห้วยมุกทําให้ที่ดาสาวทั้งสองคนซึ่งมีพระนามว่าพระนางพิมพากับพระนางลมพามาสิ้นชีพทิตกสาย จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2,313 เจ้ากินนรีก็ได้มาสร้างเมืองมุกดาหารพร้อมกับได้สร้างโบทวัดสี่มงคลใต้ขึ้น และในขณะก่อสร้างได้พบพระเมาลีพระพุทธรูปเหล็กจมอยู่ใต้พื้นดินบริเวณศาลจ้แม่สองนางพี่น้องในปัจจุบันนะคะจึงได้ทําการขุดเพื่อไปประดิษฐานณบทวัดสรีมงคลใต้แต่พอวันรุ่งขึ้นพระพุทธรูปเหล็กองค์นั้นก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะคะแล้วก็ในที่ที่พบครั้งแรกชาวบ้านก็เลยพากันเรียกว่าพระหลุบเหล็กค่ะก็ประกอบกับบริเวณดังกล่าวทุกวันขึ้น11บเอ็ค่ำเดือน6จะมีเสียงของผู้หญิง ร้องไห้นะคะเป็นผู้หญิงสองคนซึ่งชาวบ้านก็เชื่อว่าเป็นเสียงของพระนางพิมพากับพระนางลมพามาและได้แสดงอภินิหารให้ปรากฏอยู่เนืองๆ เ, เจ้ากินนรีเจ้าเมืองมุกดาหารได้สืบทราบประวัติแห่งความเป็นมาก็เลยทำการตั้งศาลขึ้นณนะที่แห่งนั้นเพื่อให้ดวงวิญญาณได้สิงสถิต เมื่อพุทธศักราช 2,315 นะคะแล้วก็ได้ขนาดนามว่าศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องอันเป็นที่เครารพสักการะของชาวเมืองมุกดาหารโดยทั่วกันโดยถือเอาเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นเดือนที่ทำพิธีเส้นไหว้แล้วก็บวงสวงศาลเจ้าแม่สองพี่น้องค่ะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ชาวจังหวัดมุกดาหารก็ถือว่าศาลเจ้าแม่สองพี่น้องสองนางเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ คู่กับศาลเจ้าพ่อฟ้ามุงเมืองสำหรับผู้ใดที่เคารพสักการะศาลเจ้าพ่อฟ้ามุงเมืองแล้วจะเลยไปเคารพสักการะศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้องด้วยเสมอและในวันขึ้น15บ้าค่เดือน6ของทุกปีค่ะชาวจังหวัดมุกดาหารก็จะจัดให้มีพิธีบวงสวงเจ้าพ่อฟ้ามุงเมืองและเจ้าแม่สองนางพี่น้องพร้อมกัน ยังมีอีกสถานที่หนึ่งค่ะนั่นก็คือเจ้าแม่สองนางบึงการคนไทยกับความเชื่อที่สืบทอดเล่าขานต่อๆกันมาที่เรียกว่าตำนานนั้นเป็นเรื่องราวดึกดำบันที่คนเชื่อก็เชื่อแล้วก็มักจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ส่งเสริมให้ความเชื่อนั้นคงอยู่ต่อมาจนถึงปัจจุบันแต่ก็อาจจะมีบางกลุ่มที่ไม่เชื่อ แต่ก็นั่นราคาเรื่องของความเชื่อเรื่องของความศรัทธาก็ควรเป็นเรื่องที่งดเว้นการวิจารณ์และให้อยู่ในดุนยพินิตของแต่ละบุคคลด้วยคนอื่นไม่ควรก้าวล่วงหรือล่วงละเมิดความเชื่อของกันและกันนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการทะเลาะเบาแวงไม่มีอะไรผิดตราบใดที่ไม่ได้สร้างความเสียหายแก่สังคมโดยรวมเช่นเดียวกับเรื่องราวของจ้แม่สองนางแห่งบึงการแห่งนี้ค่ะ ศาลเจ้าแม่สองนางนั้นไม่ได้มีอยู่เฉพาะที่ริมแม่น้ําโขงของจังหวัดบึงกาฬแต่ก็มีการสร้างขึ้นหลายแห่งประกอบไปด้วยตำนานเรื่องราวที่อาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้วที่มีการสร้างศาลเจ้าแม่สองนางขึ้นนั้นก็เพราะว่ามีความเชื่อนะคะว่าเจ้าแม่สองนางจะช่วยปกปักรักษาชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ําโขง การไปกราบไหว้นั้นก็เพื่อขอพรให้การเดินทางราบรื่นและก็ปลอดภัยซึ่งลักษณะของตัวสารสร้างด้วยรูปแบบไทยเน้นสีทองแล้วก็สีแดงตัดกันปัจจุบันก็จะมีการบูรณะให้มีรั้วกั้นแบบทันสมัยมีลวดลายเหมือนประตูรั้วบ้านกั้นเป็นรั้วรอบตลอดจนกั้นด้านหน้าบันไดสีมุมเสา ร, รัว้วแล้วก็จะมีโคมไฟประดับสวยงามค่ะ จะเห็นทั้งพวงมาลายัยผ้าเจ็ดสีห้อยระยงระยางอีกทั้งดอกไม้แล้วก็ขนมแล้วก็ผลไม้บูชานะคะแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาของชาวบ้านแล้วก็คนที่เดินทางผ่านไปมาว่ามีความเชื่อถือมากน้อยเพียงใด หากมีการจัดบูชาอย่างเป็นกิจจะลักษณะก็จะมีการตั้งโต๊ะด้านหน้าจัดทูบเทียนบายสีแล้วก็ของเส้นไหว้อาธิขนมผลไม้ก็จะจัดชั้นลดหลั่นกันลงมาตัวโต๊ะปูผ้าแดงเป็นหลักนะคะเมื่อมองเข้าไปในสารก็จะเห็นรูปเคารพตัวแทนของสองนางเป็นผู้หญิงผมยาว กล้าวมวยผมทิ้งชายผมข้างหนึ่งระบ่ามาข้างหน้าแต่งกายด้วยการห่มสบายนุ่งผ้าสิ้นแบบไทยอีสานที่เป็นรูปยืนขนาบข้างตรงกลางก็จะเป็นรูปสองนางสีทองนะคะสถานที่ตั้งก็จะอยู่ที่ตรงหน้าโรงพยาบาลจังหวัดบึงการนะคะเรื่องราวของประวัติความเป็นไปเป็นมาของเจ้าแม่สองนางบึงการหรือว่าจำนะคะก็เล่าตำนานความเชื่อท้องถิ่นเกี่ยวกับตำนานศาลแห่งนี้บอกว่า เจ้แม่สองนางเนี่ยเป็นสองพี่น้องเป็นธิดาของกษัตริย์แห่งสปปลาวมีชื่อเรียกตามภาษาถินา่นค่ะบอกว่าบัวบนผู้เป็นพี่แล้วก็บัวบานผู้เป็นน้องโดยทั้งคู่เนี่ยอพยพหนีภัยสงครามมาตามลำน้ำําโขงแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเรือล่มเสียชีวิตเพราะว่าถูกพญานาคเอาไปเป็นเมียแล้วก็หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้กลายเป็นพญานาคีทําหน้าที่คอยปกปักรักษาผู้คนในแถบลุ่มน้ําโขง ก่อนหน้าการตั้งศาลจะแม่สองนางไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นะคะเพิ่งจะย้ายมาเมื่อปี2498แล้วก็เคยมีทางราชการจะไปย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าหมอดูโหราศาสตร์เนี่ยเขาทักท้วงไว้เนื่องจากว่าตรงจุดนี้เห็นแม่น้ำโขงตลอดก็เลยไม่ได้ย้ายนั่นเองค่ะ เรื่องของความเชื่อของชาวบ้านนะคะก็เชื่อกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดในแม่น้ำนั้นเป็นการกระทําของเทพเจ้าทางน้ำที่เรียกกันต่างๆไม่ว่าจะเป็นพญานาตนางเงือกหรือว่างูค่ะดังนั้นก่อนที่จะเริ่มพิธีกรรมใดๆจึงต้องมีการบูชาบอกกล่าวกันก่อนตลอดจนในการเดินทางหากได้มีการก ร, ราบไหว้แล้วดวงวิญญาณของเจ้าแม่สองนางจะคอยปกป้องคุ้มภัยให้ผู้สัญจรไปมาได้เดินทางแบบสวัสดิภาพนะคะ ในงานประเพณีแข่งเรือยาวของจังหวัดในทุกๆปีค่ะก็จะมีพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและก็ชาวลาวก็จะมีคนเวียดนามนะคะมาร่วมงานแข่งขันด้วยซึ่งการแข่งขันนี้ก็จะมีการละเล่นกันแบบสนุกสนานลหลากหลายเรือแข่งนะคะ ละทีนี้เนี่ยพอแข่งเรือกันเสร็จเรียบร้อยก็จะมีพิธีการส่งเจ้าเจ้าแม่สองนางเนี่ยก็จะไปที่ศาลสำหรับความเชื่อถือความศรัทธาของคนในท้องถิ่นและก็ใกล้เคียงคงไม่ต้องมีข้อสงสัยเรื่องความเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่แต่สำหรับนักท่องเที่ยวต่างถิ่นที่อาจไม่เข้าใจหรือคนยุคปัจจุบันที่อาจจะไม่เชื่อถือเรื่องแบบนี้เมื่อไปเยือนบึงการอาจไม่ถึงกับกราบไหว้บูชาเฉกเช่นคนที่รู้จักแล้วก็นับถือ แต่ว่าเรื่องแบบนี้ไม่เชื่อก็ไม่ควรลบหลู่นะคะหรือจะถือคติเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรเรื่องที่ไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์และมีการเล่าขานมาช้านานและชาวบ้านนับถือกันขนาดนี้ฟังไว้บ้างและปฏิบัติตามพอสมควรและความเหมาะสมน่าจะดีกว่าค่ะตํานานพ่อแก่บรมครูแห่งวงการศิลปะชั้นสูง พ่อแก่หรือพระฤาษีถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในแวดวงศิลปะแขนงต่างๆล้วนนิยมเคารพนับถือบูชาเนื่องด้วยเกิดจากความเชื่อที่ว่าในอดีตพ่อแก่หรือพระฤาษีได้เป็นผู้นําเอาศิลปะแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร้องรําทําเพลงหรือแม้แต่การร่ายรํานาฏศิสินต่างๆมาถ่ายทอดให้แก่มนุษย์ได้รับความรู้ได้รับความงามความอ่อนช้อยของศิลปะ รู้จักความอ่อนโยนรู้จักรักและรู้จักเมตตาพร้อมทั้งการให้อภัยก่อให้เกิดความสุขแก่มวลมนุษยชาติดังนั้นศิลปินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในศิลปะทุกแขนงในประเทศไทยจึงได้เคารพบูชาพ่อแก่หรือครูฤาษีว่าเปรียบดังบรมครูแห่งศาสตร์ของการแสดงเมื่อได้บูชาแล้วจะก่อให้เกิดสิริมงคลมีความเจริญก้าวหน้าในด้านการงานมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมในตัว สำหรับความเป็นมาของตำนานพ่อแก่ประจําวันนี้นะคะอย่างที่กล่าวมาข้างต้นที่พูดถึงพ่อแก่หรือพระฤาษีค่ะบางครั้งนะคะก็เรียกกันว่าครูฤาษีซึ่งถือว่าเป็นบรมครูแห่งศาสตร์ของการแสดงตามตำนานกล่าวไว้ว่าพระฤาษีมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด108องค์ปางเสมอเทนถือว่าเป็นปางที่มีฤทธิ์มากที่สุดในบรรดา108องค์ ส่วนประวัติของพ่อแก่หรือว่าครูฤาษีนะคะวันนี้บีจะนํามาเล่าเป็นเรื่องย่อๆให้กับคุณผู้ฟังทุกๆ ท, ท, ท่านได้ทราบกันค่ะถึงเรื่องราวของพ่อแก่ปู่ฤาษีโคตบุตรเป็นฤาษีที่บําเพ็ญตบะอยู่ในบริเวณป่าหิมพานท่านเป็นฤาษีที่มีรูปร่างหน้าตางดงามมากเป็นที่เคารพรักของเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเมื่อใครก็ตามได้มาพบเห็นก็จะเกิดความรู้สึกรักเกิดความรู้สึกชอบ เกิดความรู้สึกหลงไหลในตัวของปู่ฤศีโคตตบุตรค่ะซึ่งเป็นรูปร่างแล้วก็หน้าตาของฤศีตนนี้เนี่ยไม่เว้นแม้แต่เหล่าเทพนารีซึ่งเป็นบริวารแห่งองค์พระศิวะมหาเทพที่ลงมาเที่ยวเล่นกันในเขตของป่าหิมพาน์ที่พอได้มาพบกับปู่ฤศีโคตบุตรเข้าก็เกิดมีความหลงไหลในรูปร่างหน้าตาของปู่ฤศีตนนี้ทันทีเทพนารีทั้งหลายเลยไม่ยอมกลับไปเข่ากรไรลาดยินยอมอยู่ปรนิบัติรับใช้ปู่ฤศี โคตบุตรนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็เลยร้อนถึงพระศิวะมหาเทพเกิดความสงสัยนะคะว่าเทพนารีบริวารของพระองค์หายไปไหนกันหมด เมื่อพระองค์ทรงเล็งยานดูจึงรู้นะคะว่าเหล่านารีเทพเนี่ยมาอาศัยอยู่กินกับฤาษีโคตบุตรนั่นเองพระศิวะก็เลยเสด็จลงมาจากเข่ากระไดลาดตรงมาหาฤาษีโคตบุตร ด, ด้วยความขุนเคืองพระทยัยบอกว่าฤาษีโคตบุตรเนี่ยลบหลู่และไม่เคารพยำเกรงในพระองค์พระองค์ทรงใช้ตรีสอนตัดเสียรของฤาษีโคตบุตรขาดออกจากกันในทันทีโดยมิได้สอบถามเรื่องราวนะคะว่าใครผิดใครถูกด้วยฤาษีโคตบุตรมีฤทธิ์เดชพอตัว ยังไม่ยอมเสียชีวิตในทันทีฤาษีจึงทูลเล่าความจริงให้พระศิวะทรงทราบตามความจริงทั้งหมดเมื่อพระศิวะทรงทราบความจริงดังนั้นแล้วก็ทรงรู้สึกเสียใจยต่อการกระทําของตนเองยิ่งนักที่ด่วนใจร้อนไม่สอบถามหรือไต่สวนเรื่องราวให้ดีซะก่อนดังนั้นพระศิวะเองนะคะท่านก็เลยได้ใช้ฤทธิเดชที่พระองค์มีทรงต่อเสียนของฤาษีโคตบุตรเข้ากับร่างเดิมฤาษีโคตบุตรจึงกลับฟื้นมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง และเพื่อเป็นการลบล้างความผิดพลาดของพระองค์ที่ทำไปโดยไม่ยั้งคิดพระองค์จึงมีพระสิวะองค์การออกไปแนะ่ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมนุษย์คนใด ที่ได้นํารูปเสียนของฤาษีโคตบุตรไปเคารพสักการะบูชามนุษย์ผู้นั้นจะมีใบหน้าที่งดงามและมีสเสน่ห์เป็นที่รักของผู้ที่ได้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายก็จะมีความงามเฉกเช่นเดียวกันกับฤาษีโคตบุตรนับตั้งแต่นั้นมาค่ะเสียนของฤาษีโคตบุตรจึงได้ถูกนํามากราบไหว้สักการะบูชาเป็นที่เคารพของเหล่าศิลปินนักแสดงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงโขนลิเกลําตัด หรือต่างๆที่เกี่ยวกับศิลปะศิลปินทุกแขนงเลยนะคะโดยเสียนฤษีโคตบุตรจะถูกเรียกขนานนามว่าเสียนพ่อแก่มาจวบจนกระทั่งปัจจุบันทุกวันนี้ค่ะคำว่าฤษีมาจากคำว่าฤสี แปลว่าผู้เห็นด้วยความรู้พิเศษอันเกิดจากฌานซึ่งสามารถมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตบางครั้งก็เรียกพ่อแก่หรือฤาษีว่าตาลีการชันซึ่งแปลว่าผู้รู้การทั้งสานอกจากนี้นะคะพระฤาษียังถือว่าเป็นผู้ประธานสรพวิชาความรู้ทั้งมวลแก่มนุษยชาติ ตามตำราทางโหราศาสตร์และตำราทางเทววิทยากล่าวไว้อย่างสอดคล้องกันค่ะว่าพระพฤหัสบดีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นอาจารย์แห่งสพาวิชาวความรู้ทั้งมวลเนื่องด้วยพระอิสวรมหาเทพได้รพระเวทให้ฤาษีส9ตนบ่นเป็นทุลีแล้วห่อด้วยผ้าสีแก้วไพลทูลประพรมน้ำด้วยน้ำอำมฤตก็เลยบังเกิดเป็นเทวราชมีสีกายดั่งแก้วไพลทูลมีวิมานบุตรราคมกวางทองเป็นพาหนะ รักษาข่าวพระสุเมนด้านทิศตะวันตกมีร่างกายแสดงด้วยสั ญ, ญลักษณ์ของฤาษีจึงเป็นผู้ที่มีปัญญาบริสุทธิ์เฉลียวฉลาดพูดจาไพเราะเสนห่หหูเป็นอาจารย์แห่งสพาวิชาความรู้ทั้งมวลรวมถึงเป็นอาจารย์ของเหล่าเทพเทวดาจึงให้ถือว่าวันพฤหัสบดีอันแสดงด้วยสั ญ, ญลักษณ์ของฤาษีเป็นวันครูจึงให้มีการไหว้ครูกันในวันนี้ค่ะ ส่วนพิธีการครอบครูจากพ่อแก่นั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากกับผู้ที่ทํางานด้านศิลปะด้านการแสดงก็จะเห็นได้นะคะจากดารานักร้องจะมีการเข้าพิธีทุกปีเพื่อแสดงตัวเป็นลูกศิษย์และร่วมบูชาครูพ่อแก่ที่เคารพนับถือซึ่งก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับตัวเองเป็นอย่างมากซึ่งครูก็จะคอยควบคุมรักษาและคอยช่วยเหลือให้ลูกศิษย์มีความจาในกระบวนท่าราจังหวะดนตรีและ การแสดงนะคะหากว่ามีสิ่งใดที่ไม่งามจะเกิดขึ้นกับลูกศิษย์ครูก็จะช่วยปัดเป่าให้พ้นจากตัวของลูกศิษย์ค่ะส่วนพิธีครอบครูนั้นนับว่าเป็นการทำให้ผู้เรียนมีกำลังใจว่าครูจะคุ้มครองรักษาครูจะช่วยเหลือแม้การรำผิดพลาดไปบ้างจะทำให้ผู้เรียนไม่ตรโกนกค่ะ หรือว่าตกใจจนเกินไปเพราะว่ามีความเชื่อมั่นว่าตัวเองได้ทําพิธีครอบครูแล้วครูก็คงให้อภัยในความผิดพลาดส่วนอีกประการหนึ่งค่ะพิธีครอบครูนั้นผู้ศึกษานาฏศิลป์ทุกคนถือว่าเป็นพิธีสําคัญแล้วก็จําเป็นสําหรับผู้ศึกษาปฏิบัติท่ารําที่อยู่ในระดับสูงเช่นการรําเพลงหน้าพาดก่อนจะรําผู้ศึกษาต้องผ่านพิธีครอบครูก่อนจึงจะต่อท่ารําได้หากจะจัดตั้งหิ้งบูชาพ่อแก่จะต้องหัน หน้าไปทางทิศเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือตะวันออกเท่านั้นค่ะ และทั้งหมดที่นำเสนอในวันนี้นะคะคือเรื่องราวโดยย่อประวัติของพ่อแก่บรมครูแห่งศาสตร์และศิลป์ทุกแขนงที่คนบันเทิงและเหล่าคนที่ทำงานทางด้านของศิละปะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าหรือว่าเบื้องหลังรวมถึงตัวของบีเองที่เคารพนับถือแล้วก็กราบไหว้บูชาทุกๆวันก่อนนอนค่ะหรือว่าจะเป็นก่อนการแสดงเพื่อขอกาลังใจจากพ่อครูนะค ะ, นะคะเพื่อให้ลูกศิษย์ของท่านได้มีความมั่นใจแล้วก็มีผู้ที่รัก มีความเมตตาเกิดความเอ็นดูนะคะเมื่อได้ชมการแสดงหรือว่าเมื่อได้รับฟังในสิ่งที่เราได้พูดออกไปนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องกระดาบขอบพระคุณสำหรับข้อมูลต่างๆที่ได้นำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังทางเว็บของเ t ็มไทยแล้วก็เว็บของกระปุกด้วยนะคะหมดเวลาเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณในการติดตามรับฟังรายการอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครปช่องพระเจอผีด้วยนะคะ กลับมาพบกันกับเรื่องเล่าในตำนานเรื่องสยองขวัญต่างๆที่พระเกจิพบเจอหรือชาวบ้านพบเจอได้ที่ช่องพระเจอผีและอย่าลืมตามไปกดถูกใจนะคะที่เพจพระเจอผีด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ